คัพุปันทูทรวะคคพุธปันทูทรวะคคพุธปันทูธรรมวะคัคพุธปันทูทรวะคัคพุธปันทูทรวะคคพุธปันทูธรรมวะคัคัพุธปันทูทรวะคพุปัน